อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสิมทุนณิชรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ ุสวัสดคะท่าฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพอถึงเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ดิฉันก็จะได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมรับบรุนค่ะ ดวงใจมาตยานุมัติเจ้าของรายการก็จะให้โอกาสที่จะให้เดนได้มาสาักษาหรือสนทนาธรรมกับท่านพระอาจาร ย, ย์ไพบูลอภิปุโนโค่ะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิพพากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แรกนะคะของเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นวันเสาร์ที่เจ็ดพฤษภาคมนะคะเป็นวันขึ้นห้าข้ามเดือนหกปีเถาะค่ะก็คิดว่า อวันนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไบบูญอภิปุโนอีกครั้งหนึ่ง อ, อยากจะข อ, อนำท่านผู้ฟังมามากราบนมัสการท่านเลยนะคะส่วนเราจะสนทนากันเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังตามรับฟังแล้วจะทราบทันทีเลยนะค ะ, ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระเดชสกุลพระอาจารย์ไบบูลอภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาอาจเรย์พา เจ้าค่ะคิดว่าระยะนี้พระอาจารย์ก็คงจะได้อทราบข่าวนะเจ้าค่ะที่เป็นที่โด่งดังอในอหน้าหนันงสือพิมพ์อะไรต่างๆนะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องหนึ่งของทางช่องสามคือดอกส้มสีทองนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์พอได้ข่าวไหมเจ้าคะเออคือไม่ไม่ได้ดูทีวีเลยไม่ได้ก็<ล> <laughs> ไม่ได้มีหนังสือพิมพ์ด้วยอ๋อเจ้าค่ะเจ <laughs> <laughs> ้าค่ะก็จะไม่ทราบเรื่องเท่าไหร่แต่ว่าเคยได้ยินมีมีอโยมมาเล่าให้ฟัง เจ้าค่ะเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เจ้าค่าโขนโดวลาน ก, กันมากเจ้าค่ะเป็นที่คืออามากเจ้าค่ะคือยมยมลืมไปว่าพระอาจารย์เป็นเป็นวัดที่เคร่งมากนะเนจ้าค่ะท<ม>ีวีก็ไม่ไม่มีดูนะเจ้าค่ะแล้วหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ไม่ได้รับด้วยยมเล่าอย่างนี้เจ้าค่ะว่าอยากจะขอนําเรื่องอนุสนธิจากละครโทรทัศน์เรื่องที่กําลังเป็นที่โจทย์ขานเนี่เจ้าค่ะคือเรื่องดอกส้มสีทองอเส้นชนาธิยุทธ์ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านดิพิษ อินทรสมบัติเนี่ยท่านก็กังวลใจเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่เดียวเจ้าค่ะที่จะ ร้องเรียนเข้าไปบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวนางเอกนะค ะ, ะก็จะเป็นคนที่มีมีสองอย่างเจ้าค่ะที่ที่คนเห็นว่าไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าเป็นละคระหลังข่าวนะเจ้าค่ะซึ่งเป็นช่วงไพร์มไทม์แต่นี้ก็คิดว่าบรรดาเด็กๆเนี่ยก็ยังยั ง, ย, งยังไม่ได้หลับนอนนะเจ้าค่ะก็ะหมายถึงว่ายังไม่ไนอะยังไม่ได้เข้านอนดังนั้นก็เลยจะอาจจะติดสิ่งที่ไม่ดีไปเจ้าค่ะยกขอ<ะ>ขอเล่าอย่างนี้เจ้าค่ะว่าละครเรื่องเนี้ยนางเอกสวยมากนะเจ้าค่ะคุณคุณชมพู่อารยานี่ แล้วเธอก็เล่นได้ดีมากเหลือเกินถึงบทบาทนะเจ้าคะทีนี้เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่สองเรื่องที่เป็นที่โจทย์ขานของของละครเรื่องนี้ที่คิดว่าไม่น่าสมควรคือไม่น่าจะออกนะเจ้าคะ่ะก็คือเรื่องของการที่ตัวตัวเอกของเรื่องเนี่ยจะพูดจาไม่ดีกับแม่เลยเจ้าคะ่ะจะจวาดแม่จะใช้แม่นวดขาบ้างให้แม่เนี่ยช่วยมาทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยจ้พาพยมก็เป็นแฟนละครเรื่องนี้นเจ้าคะ่ะคือดูเนี่ย ดูแล้วมันก็สนุกอะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมเองเนี่ยในฐานะที่เราโตมาขนาดนี้เนี่ยยังนึกว่าแม้มันมันแรงไปแล้วก็มันน่าจะเป็นแบบอย่างไม่ดีอับกับบรรดาเด็กๆที่ชมอ่ะนะเจ้าค่ะคล้ายๆว่ า, าตัวนางเอกเนี่ยก็จะแสดงกริยาที่ไม่ไม่ดีกับแม่เลยอเจ้าค่ะใช้แม่อย่างกับคนใช้เลยอันนี้ เ, เจ้าค่ะเป็นประเด็นแรกที่อยากจะมาสักขากับพระอาจารย์พบูลนะเจ้าค่ะว่าประเด็นนี้เนี่ย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรเ<อ>กี่ยวกับแม่กับ<อ>ลูกเนี่ยเ<อ>จ้าค่ะลูกเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรกับบุพการีซึ่งเราเคยสนทนาว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนพรมของลูกนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์อสิการะเรื่องนี้นะเจ้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่โจทย์ขานของเรื่องนี้<อ>ก็คือเรื่องของพล็อตเรื่องเจ้าค่ะเป็นการเนื้อเรื่องเนี่ยดําเนินไปว่าตัวนางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ เหมือนกับไม่ค่อยมีศีลธรรมมาเจ้าค่ะเป็นเรื่องของกาม<อ>นี่แหละเจ้าค่ะก็จะไปแย่งสามีคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ใช่เป็นประเภทเออภรรยาน้อยที่ที่เก็บเมือเก็บตัวอะไนะเจ้าคะแต่ว่าจะจะเหมือนกับเป็นคนร้ายมากแล้วก็ทําร้ายทางฝ่ายภรรยาหลวงแล้วก็จะ<อ>เป็นเหมือนกับ รุนแรงอะเจ้าค่ะแล้วมันก็มีฉากที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าบทเลิฟซีะอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะมันมันค่อนข้างเยอะอนิดหนึ่งซึ่งก็ <ผม S 1> คิดว่าเจ้าไม่เหมาะกับเยาวชนเช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะดังนั้นเราขออนุญาตพระอาจารย์ว่าเามตตาที่จะสักษาเรื่องนี้กันนะเจ้าค่ ะ, ะไม่ไม่ทราบว่าเบี้ยรบกวนไปหรือเปล่าเจ้าค่ะคิดว่าเหมาะสมอยู่เพราะว่าอะไรที่ตรงตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมะของบุทธิชาตอย่างเต็มเตมเลย า่อ <c oughs> ถ้าเราจะคุยเรื่องนี้ให้สมบูรณ์เนี่ยเราต้องคุยในแง่มุมสองสมอย่างอย่างแรกก็คือว่าปัญหาที่เราเจอจะมาเป็นใจว่าเป็นเรื่องพฤิกรรมเกี่ยวกับอุปกาลี <c oughs> อันนี้ที่หนึ่งที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับศีลนะศีลธรรมของตัวต <c oughs> ัวล <c oughs> ะครอเรื่องที่สามเนี่ยเราต้องคุยให้จบว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้าเราอ่ะตัวท่านผู้ฟังเองอ่ะตัวคนที่ดูรายการตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค <c oughs> แล้ว ไปภรรยาหลวงหรือจะเป็นคนที่ไปแย่งชิงเขาเนี่ยคุณควรทําจิตยังไงเจ้าค่ะแล้วอย่างที่สามอย่างที่สี่เนี่ยคือถ้าเราเราเป็นตัวละครในเรื่องเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตัวเราอย่างไงเจ้าค่ะแล้วอาตมาอาจจะแนะนําข้อนี้ก็คือว่าตอนจบของละครเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ทุกคนอแฮปปี uh, ้หมดทุกคนมีความสุขหมดเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราใบให้ส<ม>าธุเจ้าค่ะเริ่มเลยเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอันแบบแรกก่อนก็คือถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อหาธรรมะของพระเจ้านะเจ้าค่ะเพอย่างที่คุณเกลนใจบอกไปตอนแรกแล้วว่ามนรดาบิดาจะเป็นปรมของบุตรเจ้าค่ะคิดดูพระพุเจ้ายังเคยบอกว่าต่อให้เอ า, อามารดาบิดาเนี่ยมาแบกไว้บนบาให้อุจารปัจจุบันลดใจตลอดร้อยปีอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าพอนข้าวให้อยู่บนไหลเราเนี่ยเจ้าค่ะถ้าอย่างนี้ร้อปีเนี่ยเราก็ ย, ยังทดแทนคุณคุณหมดท่านไม่หมด ใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าใช้ท่านทำอย่างนู้นอย่างนี้พูดจาไม่ดีนี่โอ้เป็นคนทำค่ะบาปมากเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วลองคิดดูตอนที่แม่เนี่ยเราอยู่ในท้องแม่น ะ, ะอะเราเราก็ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยน้ำมันดาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราตลอดเราคลอดออกมาแล้วคนที่จะดมลุงเลี้ยงแสดงโลกนี้กับเราก็คือบรรดาปิดาอเอาเป็นว่าตอนที่เราคลอดออกมาอ้วกแวก มันเดินใจช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะทาอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนที่มาอุปการะเรานะเราจะตายไปเหนื่อยตอนนั้นแล้วไม่มีวันนี้จุกค่ะเพราะบุญคุณตรงเนี้ยมันทดแทนกันไม่หมดนะต่อให้สถาพนามารดาบิดาขึ้นเป็นพระเจ้าสักรพัฒน์นะครองทั้วโลกเลยจุกค่ะก็ยังสดใช้บุญคุณตรงนี้ไม่หมดเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยเราไม่มีวันนี้นะอาหารที่เรากินอยู่ตรงนี้เงินเดือนที่เราได้ทุกวันนี้ แล้วก็สถานภาพชื่อเสียงตำแหน่งเกียริยส์ความสุขอะไรที่เราได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีท่านนะคุณไม่มีวันนี้นะสมัยบอกนะจุกค่ะอันนี้อธิฟูช้าบอกเราพูดตามบุรุษชาติจุกค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นมานาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณมากอ่าใครก็ตามเนี่ยที่มีมีความสามารถแล้วไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยพุชชาบอกเป็นคนถอยอสมมุติว่าเรามีเงินเดือนมีความสามารถพอที่จะเลี้ยงดูท่านเนี่ยแต่ไม่เลี้ยงดูอย่างเงี้ย นะปล่อยให้ท่านอยู่ตามมีตามได้อย่างบางอย่างพ่อแม่ตามต่างจังหวัเนี่ยก็อยู่จำมีตามได้แล้วลูกไปทํางานในเมืองก็บางทีก็ลืมบ้างอะไรป้าซึ่งอันนี้ไม่สมควรที่ควร่อยค่ะนะครัวิชาเทกรรมแล้วก็วิธีจะนําพาท่านไปสู่ที่ดีนะก็คือควรจะแนะนําให้ท่านรู้จักธรรมะในเรื่องของถ้าท่านยังไม่มีศีลก็ให้มีศีลนะถ้าท่านยังไม่มีสมาธิเอียงไม่รู้วิจา ก, การฝึกจิตก็ให้ท่านรู้จักนะคะ ถ้าท่านสึก ส, สิอยู่แล้วทำยังไงให้ท่านมีปัญญาในการที่จะเห็นแก่งแจงตลอดที่ลึกซึ้งไปได้นนี่คือแง่บุมของข้อควรปฏิบัติกับมารดาโดยทั่วไปที่พระเจ้าเคยสอนปร ะ, ะการที่สองก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวของเรานะคนคนเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ใชอยู่ในบ้านเมืองตอนเช้าตื่นไปทำงานเลี้ยงลูกบ้า ทำเป็นแม่บ้านบ้างไปทํางานบริษัทบ้างอย่างเงี้ยหรือ <Okay. S 2> เป็นข้าราชาการก็แล้วแต่คือคนเป็นคนคนเราๆอย่างท่านท่านเราๆอย่างเงี้ยนะค <Okay. S 2> ือไม่ใช่ซ่าไม่ใช่ชีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะจะต้องมีความเป็นปกติในการดําเนินชีวิตของเราแต่ความปกติตรงนี้เนี่ยพรุทธเจ้าก็ให้อ่าเขาเรียกว่าแนวทางไว้ห้ายอย่างนั้นเองก <Okay. S 2> ็คือเรื่องของสี่ห้าไม่ว่าคุณจะเป็น มาทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเรื่องไอทีมีความรู้คอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานเป็นพานโรงเป็นครูในโรงเรียนนะหรือว่าเป็นพนักงานที่ต้องไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุณต้องมีพื้นฐานอยู่ห้าอย่างเหมือนกันนะไม่หนีไปจากนี <c oughs> ้ก็คือเรื่องของสิ่ห้านะเป็นความปกติของชีวิตของเราพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าระหว่ า, างคนสองคนสามีภรรยาเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ย อ่าถ้าไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลเนี่ยเปรียบเสมือนอ่าซากศพที่เดินตายอืมเจ้าค mm ่ะ hmm. อ mm ่า hmm. okay. อย่างสมมุติสามีมีศีลแต่ภรรยาไม่มีศีลเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนเนี่ยอยู่กับซากศพเจ้ค่ะอ่าแต่ถ้าอภรรยามีศีลแต่สามีไม่มีศีลเนี่ยก็เหมือนกับอ่าภรรยานะคือเป็นคนมีศีลเนี่ย <Okay. S 1> อยู่แบบ สามีคื่อศาสตรการหรือถ้าไม่มีสีนักคู่นะก็คือซักศพอยู่แต่ซากศพอ่ามีชีวิตอย่เป็นอย่างนี้แล้วก็คู่ไหนนะสามีปรรยาคู่ไหนเนี่ยที่มีความประสงค์ว่าจะพบเจอกันไปอีกหลายๆพบหลายๆชาติเนี่ยสีเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณธรรมสองอย่างที่คุณต้องมีเพื่อที่จะให้พบกันไปอีกหลายชาติอ่าหมายความว่าเราอาจจะเคยเห็นคู่บางคู่นะคุณผู้สนใจแล้ว <ๆ S 1> แต่แต่งงานกันมาเนี่ยจะมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยเราไม่เคยทะเลาะกันสักคำเดียวจุก้า ไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยมีปัญหากันเลยนะฮะเขาเรียกว่าอ่าถือไม่เท้ายอดอะไร่ะยอดทองกระบองยอดเพชรเจ้าค่ะอลายหลายหลายหมีความสุขตลอดชีวิตอย่างนั้นเละเป็นคู่ที่เรียกว่าดีอ่ะก็เพราะว่าเขามีสีนเสม อ, อกันานะแล้วมีอย่างที่สองคือมีทิชชิ่เสมอกันอามคุณธรรมสองอย่างนีนะ้จะทําให้เขาไปพบเจอกันอีกต่อไปเจ้าค่ะอทีนี้บางคนบางคู่อ่ะเปนเรื่องใจแต่งงานกันมายัง ภาษาโบราณเขาว่า ม, มอกข้าวไม่ทันดำใช่ไหะสองสามเดือนเช่นนั้นแหละเลิกกันละเจ้าค่ะอย่างเงี้นะก็มีแสดงว่าเขาสีเขาลงกันไม่ได้ที่จีเขาลงกันไม่ได้เจ้าค่ะแต่มีหลายคนอ่าอย่างนักกีฬาแต่างงานกับนางงามอย่างเงี้ยเจาค่ะเจ้ค่ะก็จะถ้ามีสีไม่เสมอกันก็จะไปกันไม่ได้อือันนี้พุณเจ้าพยายกรอ์ไปแล้วนะเจค่ะถ้าใครใครยังไม่มีสีก็จะไปกันยากอ่าทีนี้เรื่องของสีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญคนที่จะสามารถอ่าไปใน ที่ประชุมใดๆเนี่ยคุณจะไปที่ทํางานเนี่ยถ้าคุณเอ่อคุณไม่มีสีเนี่ยโอเราจะเรียกว่าไม่สามารถไปมองหน้าเขาได้ไม่มีความกล้ากล้าในการที่จะเข้าสู่บริษัท <c oughs> นะบริษัทนี้อ่าเพราะฉะนั้นคนที่มีสีเนี่ยจะเป็นคนที่ไปไหนแล้วไม่ต้องกลัวเลยเราสบายใจได้แล้วคุณจะไปพูดหน้าที่ชุมชนันะถ้าเราไปพูดหน้าที่ชุมชนเราไม่รู้มีความประมาทจะพูดอะไรถ้าตัวเองเป็นคนมีสีนะใช้ข้อนี้เป็นประโยชน์เลย ถ <Okay. S 2> ึงสิ่งของตัวเองแล้วจะมีความสบายใจหนะ้าที่ตรงนั้นเราถือไมโครโฟนอยู่เนี่ยไม่มีใครจะมาโจมเราว่าเราฆ่าจัดเราลักซรัพย์เราปรฤติผิในการเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ทำชัวร <Okay. S 2> ์ค่ะวันนี้จะเข้าไปเจาะลึกที่สี่งข้อสามนะสีลข้อสามคือเรื่องของนะการไม่ประพฤติผิดในกามรูปแบบต่างๆนะครับครูชาติใช้คําว่าเมีุนธรรมนะ <Okay. S 2> มีศูนย์ธรรมเนี่ยก็คือธรรมของคนคูนะ่คนคู่เพราะมักจะทําอะไรกันเนี่ย <S <S ก็อย่าประพฤติดในรูปแบบนั้นคทีนี้ภรรยาเขาก็จะอ่าทําอะไรกันเขาก็เราก็ไม่ไปทําอย่างนั้นกับคู่ของคุณนอื่นทีนี้การประพฤติผิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูในยยะให้ถูกต้องถ้าการประพฤติผิดในละครเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีสามีแล้วหรือเปล่าถ้าฝ่ายหญิงยังฝ่ายชายเป็นคนที่มีภรรยาแล้วอันนี้ก็ไม่ควร <Okay. S 2> ฝ่ายชายถ้าเป็นคนโสดอยู่หรือเป็นคนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในปกครองของมารดาบิดาอยู่ก็ไม่ควรถ้าฝ่ายชายเป็นมีอาชีพนักบวชนะก็เป็นเพศที่ไม่สมควร <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็ต้องดูในแง่มุมตรงนี้ <Okay. S 2> ถ้าบอกว่าเขาเปรนคนติดในรูปแบบนั้นนะสิ่งที่จะเกิดก็คือว่าเราจะไม่สบายใจะจะไม่สบายใจจะมี เขาเรียกว่าความร้อนใจเกิดขึ้นกลัวว่าเขาจะมาจับกลัวว่าเขาจะมาด่าเราอะไรต่างเนี่ยนะถ้ <Okay. S 2> จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการผิดศีลตรงนี้แน่นอน่ <Okay. S 2> อาประเด็นที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เนี้ยคุยอยู่กัใจ <Okay. S 2> เราอาจจะเป็นอผู้ชายก็ตามที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเขาเรียกว่ามาทอดสะพานให้ใช่ไหม หรือว่าเราเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่มีคนมาทอดสะพานให้ <ambling> หรือว่าเราเป็นผู้หญิงที่จะไปทอดสะพานให้เขาอย่างนี้นะเราจะอยู่ในสายขานี <emat> ้เราจะทำอย่างไรเอาคนแรกก่อนเลยเอาเป็นผู้หญิงที่ไปทอดสะพานเขาไว้ผู้หญิงที่ไปทอดสพานให้เขาเนี่ยนะไอ้ข่าวนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าอาจจะใช่จ้ะค่ะจีบเขา้วค่ะไปจีบไปคือจะไปแย่งอะเจ้าค่ะ ในเรื่องนี้ก็คือ<ช>เจตนาจะไปแย่งเลยแล้วก็พยายาม แ, แสดงให้ภรรยาหลวงได้ทราบด้วยแล้วก็เป็นภรรยาน้อยที่โยมดูแล้วโยมก็ยังขำๆพูดกับเพื่อนๆหลายคนที่ดูละครเรื่องนี้เหมือนกันว่าบิ ด, ดาผู้ชายนะเจ้าคะถ้าเกิดดูละครเรื่องอเรื่องนี้เนี่ยคงจะขยาดที่จะมีกิ๊กมีมีภรรยาน้อยไปอย่างมากเลยเจ้าคะถ้าเจอแบบเนี้ยเจ้า ค, าคา่ะเอนาะเพราะว่ามันก็มีอันตรายอ่ะมีมีมีภัยมากกว่ามีคุณ S <S โดยเฉพางยิ่งคนที่มีหน้าตาดีเนี่ยนะภรรยาเนี่ยไม่ว่าหรือสามีเนี่ยถ้าเราเลือกคู่เนี่ยแทนที่เราจะเลือกว่าคนนี้หน้าตาดีคนนี้รวยทรัพย์รูปสวยรวยทรัพย์อย่างเงี้ยหรือว่ารูปหล่อรวยทรัพย์อย่างเงี้ย <Okay. S 2> คุณสมบัติตรงเนี้ควรจะเป็นคุณสมบัติที่รองรองลงไปเลย uh huh. ่เพราะว่าต่อให้คุณรวยยังไงสวยเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือหล่อเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีความสามารถเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีสีเนี่ยนะหร okay. ือปัญหาต่างๆจะตามมาร้อยแตก อืมเจ้า <c oughs> ค่ะ <c oughs> เ, อ <experience> เอาแค่เรื่องขอ <c oughs> ้อสามอย่างเดียวเขาพูดแค่ข้อสามอย่างเดียวยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นถ้าเรื่องอื่นนี่โอ้โหมีมาเป็นพร่วนแค่ข้อสามอย่างเดียวคนสวยๆคนหล่อๆเนี่ยจะมีคนเข้าไปหามาก <c oughs> ต่อ <c oughs> ให้สวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนนะถ้าไม่มีสีนะโอ้จะมีปัญหาตามมาเยอะแต่ถ้าคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มแยงละเจ <c oughs> ้าค่ะตาธรรมดาคือต่อให้คนหน้าตาธรรมดาคุณเดินใจ ไม่ต้องเอาสวยเลอเลิออ่ะถ้าไม่มีสีนี่ก็แย่พอแล้วนะจ้ค่ะใช่ไหมจะ<ช>มีมปัญหาต่างๆตามมาจะไปหาเรื่องหารามมาจะไม่ครอบครัวไม่มีความสุขก็มีคนหมายถึงเจ้าของละคร น, นะเจ้าค่ะหรือแม้แต่ตัว<ช>เอกเอง ก, ก็บอกว่าสมัรครละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนสอนนะเจ้าค่ะแต่ว่าสอนอในทางที่แรงนิดนึงพูดในทางลบมาก่อน อาโยมคิดว่าตอนสุดท้ายก็อาจจะต้องพลิกยังไงให้เห็นว่าความดีเท่านั้นนะถึงจะถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็สหรับคนที่อยู่รอ ร, รอบๆรือรอบนะเจ้าค่ะก็ะต้องพระพุทธเจ้าเคยบอกอย่างนี้บอกว่าธรรมะเครื่องขูดเรานะพูดถึงว่าถ้าคนอื่นเป็นคนไม่ดีเนี่ ย, ยฉันจะเป็นคนดีถ้าคนอื่นเป็นคนพูดโกหกฉันจะไม่พูดโกกถ้านคนอื่นเป็นคนจิดสีข้อสามฉันจะไม่จิดสีข้อสารเจค่ะเจ้าค่ะ กินเราจ ะ, จะสูงขึ้นดีขึ้นเป็นจิตที่มีกำลังได้เจ้าค่ะที น, นี้สิ่งที่พระอาจารย์ไปบุญได้เมตตาสักชาหรือว่าสนทนาธรรมมานั้นเนี่ยยมคิดว่าเป็นสิ่งที่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้ไดส่งบัญญัติไว้หมดเลยว่าสามีมีหน้าที่ต่อภรรยายังไงภรร ย, ยามีหน้าที่ต่อสามีอย่างไงบุตรมีหน้าที่ต่ออพ่อแม่ที่เป็นบุพกรารีอย่างไรนะเจ้าคะ่ะที น, นี้ยังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณสักสองสามนาทีเจ้าคะ่ะรวมเลยอยากจะขอถามประเด็นนี้ว่าเมื่อสักครู่อ่าจารย์บอกว่าอืม สําหรับคนที่เข้ามาทอดสะพานให้อะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ่ะอันนั้นหมายถึงว่ายังไม่เกิดก็ต้องทําจิตให้แข็งพริกภ<ต>ิกฤิตให้เป็นโอกาสแต่ตนี้โยมอยากจะถามถึงกรณีที่โยมคิดว่าในในสังคมเราเนี้ยมีแล้วเจ้าคะ่ะที่ว่าพลาดไปแล้วเจ้าคะ่ะคือมีกิ๊กไปแล้วมีภรรยาน้อยไปแล้วหรือว่าภรรยาหลวงที่เพิ่งมาทราบว่าสามีเป็นอย่างนี้เจ้าคะ่ะ อ, อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูล<อ>ได้ให้สีนิดนึงหรือว่า ท, ที่แนะแนวทางนิดนึงว่าควรจะแก้ไขยอย่างไรทําใจอย่างไรเจ้าค่ะ อืมก็วิธีแก้ง่ายๆที่สุดเลยพระพุทธเจ้าได้เคยอสอนไว้กับพระเจ้าอาชาติัตรูในะพระเจ้าอาชาตัตรูเนี่ยฆ่าพ้อตัวเองอ่โหหนักมากแล้วก็สอนว่าชั้นช ค, ค้นี้ว่าถ้าเห็นโทษ ด, ด้วยความเป็นโทษนะล้วก็กระทาคืนตามธรรมเห็นโทษด้วยความเป็นโทษหมายความว่างไงเฮ้เราทําผิดไปแล้วนะวเราทําผิดไปแล้วเราควรจะหยุดก่อนหยุดความผิดของเราในะหยุดข้อเสียเพราะฉะนั้นอ่าหยุดการที่จะไปมีกิ๊กเพิ่มไม่เอาลับหยุดต่อจบ อ <Okay. S 2> เพิ่มไม่เอาเอาแค่นี้พอ <Okay. S 2> ไอ้ที่มีอยู่นี้เราจะแก้อย่างไงนะก็อยู่ที่ว่าเราจะอะประเด็นในการรับผิดชอบของเราอยู่ในระดับไหนนะแต่ถ้าเรื่องของเมตุนธรรมหยุดจบนะไม่มีคนที่สองไม่มีคนที่สามคนเดียวพอแต่เมตุนธรรมหยุดหมดเมตุนธรรม น, น, นี่คือทำของคนคู่เช่นเดินไปเที่ยวห้างจับมือกันหรือว่าไปมีสัมพันธ์อะไรที่แบบคนคู่เขามีการหยุดอันนี้ <Okay. S 2> คนจะหยุด <Okay. S 2> แล้วก็กระทำคืนตามธรรมนะถ้าเรามี ความสัมพันธ์ในเรื่องลึกซึ้งมีลูกมีอะไรไปแล้วเนี่ยก็คงต้องเลี้ยงดูกันไปตามทับค <Okay. S 2> ุณชาแนะนํำนี้ <Okay. S 2> ส่วนเมียหลวงพอเพิ่งมาทราบเนี่ยคุณต้องอดทนออดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมของคนดีนะเราอดทนค่อยๆพูดค่อย ๆ, อยๆจ่าเขายินยอมไปแก้ไขไหมถ้านพี่เราจะต้องไม่ทําผิดนะอย่าคิดว่าเธอมีชั้นก็ต้องมีบ้างอย่างนี้อย่าทำ <Okay. S 2> แล้วก็ให้มองเห็นว่าคุณทําอะไรที่ดีๆแล้วก็มาทําใช่ไหมเราทําหน้าที่ของเราดีหรือยังมาเป็นภรรยา <Okay. S 2> ทำไม่ดีเราก็ทําไม่ดีเพิ่มขึ้นจค่ะค่ะอทนจะช่วยได้มากมากพยาแล้วก็ถ้าทำผิดอีกจุกค่ะอันนี้ก็คือแง่คิดแล้วก็คําแนะนําที่ท่านพระอาจารย์พิบูรอภิปุโดแห่งวัดปาดอนไหาโศกได้เมตตาที่จะเล่าสู่ท่านผู้ฟังแล้วก็แนะนํากันนะคะก็หวังใจว่าคงจะเป็นประโยชน์อ่าความรู้และสามารถที่จะไปปรับจิตปรับใจหรือการกระทำของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียว ในในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมาจะมาต่อเรื่องของทรงที่ว่าทางผู้ชายเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ใหสามารถที่จะไม่เอาได้หรือผู้หญิงเนี่ยคุณจะทำจิตยังไงให้เราไม่น้อมไปในทางนั้นได้ พรุ่นี้จะมาพูดถึงเรื่องการทําจิตตรงนี้เจ้าคะ่ะอันนี้ท่านผู้ฟังต้องตามรับฟังเลยนะเจ้าคะเพราะว่าหลายท่านฟังเรื่องนี้ของเช้าวันเสาร์ของเราเนี่ยหลายท่านก็คงยังมีคําถามอีกเยอะมากเลยนะเจ้าคะเอาละเจ้าคะเวลาหมดแล้วนะเจ้าคะพรุ่งนี้เราคงจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการธรรมารับรุนและดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังนะคะก็คงจะตามรับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเดิมนะคะสําหรับเช้า ว, วันนี้เรามากราบน้มักการขอพ แล ะ, ะลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนสิทธิเอกของหลวงพ่อด็ออรสะอาดพิโทภะโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะกาวในิธการเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่า<แ>ะติดตามรับฟังรายการ ธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุนี้เวลาห้านาฬิกาถึงห้น า, งานาฬิกาสสินาทีท่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ